โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรของนักธรรมชั้นเอกนี้เป็นธรรมวิจารณ์ที่ผู้ศึกษาจะต้องใช้สติปัญญาพิจารณาข้อธรรมต่างๆที่สุขุมคำภีรภาอย่างลึกซึ้งโดยพินิษพิจารณาให้ท่องแท้เพราะว่าในธรรมวิจารณ์นี้ มีธรรมะในส่วนปรมาถปฏิปทาซึ่งเป็นปฏิปทาทีเา่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งพูดง่ายๆก็คือว่าในส่วนของมิตรานฉะนั้นเป็นธรรมะที่ยากลึกซึ้งซึ่งผู้ศึกษาจะต้องค่อยๆพินิจพิจรารณาใช้สติปัญญาไตรตรองให้มากแล้วก็จะทำให้ เ, เข้าใจ ตามความหมายนั้นนั้นได้โดยถูกต้องและก็ตามสภาวะธรรมประการแรกก็คือนิพพิทาคือความน่ายมีอุเทศว่าเอทะปัตสพมังโลกังจิตตังราชารถูประมังยัตถะพาลาวิสีทันตินัตถิสังโฆวิชานตัง ซึ่งพุทธภาสิทธินี้มาในโลกวัก์แห่งธรรมบทแปลว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการดุจราชรสที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่พวกผู้รู้หาค้องไม่นี่เป็นอุเทศที่หนึ่งในอุเทศที่สองว่าเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนา ซึ่งมาในจิตวัคธรรมบทซึ่งแปลว่าผู้ใดจกระวังจิตผู้นั้นจกพ้นจากบ่วงแห่งมารที่นี้เราก็มาทำความเข้าใจตามความหมายของในบาลีที่หนึ่งที่มาในโลกวัคแห่งลัธรรมบทคุตตะกานิกายว่าเหต เหตุที่ให้พระพุทธเจ้าต้องจัดสักกาถานีา้เพื่ อ, อเมื่อพระบรมศาสดาทรงประทับอยู่ที่เวฬุวันเจ้าภัยราชกุมารทรงปราบปัจจันทนครซึ่งกำเริบให้ราบคาบแล้วเสด็จกลับพระเจ้าพิมพิสารพระราชบิดาก็ทรงปราโมทจึงพระราชทานานางระบำให้คนหนึ่งแล้วก็พระราชจทานสมบัติให้ครอบครองอีกเจ็ดวัน จเจ้าพยราชกุมารอภิรมสมบัติครบเจ็ดวันโดยมิได้เสด็จไปไหนเลยพอถึงวันที่แปดก็ทรงสนานพระกายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปประทับทอดพระเนตรการฟ้อนรำของหญิงระบำนั้นอยู่ในพระราชอุทยานในขณะนั้นเองนางระบำนั้นก็ได้ทำการละก็คือตายนะตายด้วย โรคลมอันร้ายแรงอย่างหนึ่งมีพิษอันร้ายแรงพระราชกุมารทรงเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากไม่ทรงเห็นใครที่จะรงนงับความเศร้าโศกของพระองค์ได้นอกจากพระบรมศาสดาจึงเสด็จเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อให้ตรัสเทศนาโปรดเจ้าพญราชกุมารทรงสดับแล้วก็คลายจากความเศร้าโศก ศ า, าสาดาก็ทรงตรัสเทศนาสอนด้วยสัคาถ า, า, าตามบาลีกระทูที่หนึ่งที่ในอ้างว่าเอถาปัสธิมังโล ก, กังจิตตังราชะถูปะมังยัตถาพาลาวิสีทันตินติสังโฆวิชานตังอันนี้ก็มีความหมายที่เราควรจะพูดในในในความหมายของกระทูนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องคำว่าโลก ว่าสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ทีนี้คำว่าโลกในที่นี้ที่มาในอัจากริยท่านแก้ว่าได้แก่อัตาภาพ ค, คือร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งขันห้าคือรูปเปรนาสัญญาสังขารวิญญาณที่วิจิตพิสดารไปด้วยเครื่องประดับประดามีผ้าหนุ่งแพ้พันต่างๆเหล่านี้เป็นต้น แต่ว่าร่างกายนี้พวกคนเขาย่อมจะหมกมุ่นอยู่คือติดอยู่หลงไหลอยู่ว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนเกิดยึดมั่นเกิดอุปาทานตัณหาอุปาทานขึ้นติดอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในการสัมผัสส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดรู้เท่าทันในคติธรรมดาแล้วจึงไม่ติดอยู่ในสังขารคลายความยึดมั่นเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเสียดได้ ก็ปรากฏว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้แสดงจบพระเจ้าภัยราชกุมารก็ตั้งอยู่ในโสดาปติพล <c oughs> ที่นี้เราก็มาดูว่าที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโลกนะโลก และโลกในบาลีเนี่ยมีสองอย่างคือหนึ่งโลกโดยตรงได้แก่แผ่นดินเป็นที่อยู่อาศัยโลกโดยอ้อมก็ได้แก่หมูสัตว์นะหมูสัตว์ได้แก่หมายถึงว่าสัตว์มนุษย์แล้วก็สัตว์เดรัจฉานที่อาศัยโลกคือเป็นดินอยู่นี่เรียกว่ามีทั้งโลกโดยจมและโลกโดยอ้อมทีนี้ปัญหาก็มีสิ่งที่น่าคิดอยู่อีกิีหน่อยก็คือว่า ให้คนที่ที่ติดโลกนะหลกอยู่ในโลกไอ้แค่โลกเป็นที่อยู่อาศัยคือแผ่นดินในคนเราก็ติดแล้วคือบางทีคนเราเนี่ยติดที่อยู่อืติดที่อยู่ก็ถ้าว่าเป็นการติดพบติดชาติเหมือนกันติดที่อยู่อถ้าว่าที่อยู่ไม่ดีก็ไม่สนใจถ้าที่ไหนที่อยู่ดีก็สนใจนะ แล้วก็โลกโดยธรรมชาติมันก็สวยสดงดงามเพราะมันเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองทานภูเขาลําเนาไพรทะเลนี่ก็ดูสวยสดงดงามเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วก็ดาราดาษไปด้วยพวกแมลงต่างๆก็สวยสดงดงามผงอีหกนกกาอันนี้เราถือว่าเป็นโลกที่เราอยู่อาศัยมันก็สวยสดงดงามสวยสดดงงามตามธรรมชาติแล้วเราจะเห็นว่า ในในโลกโดยธรรมชาติของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันบางประเทศก็มีภูเขามากบางประเทศก็มีแม่น้ำมากบางประเทศก็มีต้นไม้มากบางประเทศไม่มีต้นไม้อะไรทำนองอย่างนี้ฉะนั้นอันนี้แหละจึงบอกว่าโลกโดยโลกโดยตรงส่วนโลกโดยอ้อมนะโลกโดยอ้อมก็ได้แก่ได้แก่โลก คือมนุษย์หรือสัตว์ผู้อยู่อาศัยคือคนเราพวกเรานี่ติดติดโลกกันคือติดกันเองก็คือติดรูปติดเสียงติดกลิ่นติดรสติดการสัมผัสอันนี้เราติดกันมากฉะนั้นจึงบอกว่าที่พวกเราติดโลกกันก็เพราะว่าไปสำคัญว่า มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นเมื่อเราเห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนแน่นอนที่สุดเราก็นึกว่ามันเป็นเราเป็นเขาเป็นของเราเป็นของเขาขึ้นก็เกิดกิเลสตัณหาเกิดอุปาทานในสิ่งนั้นมันก็เลยยิ่งทุกข์มากใหญ่ยิ่งขึ้นที่นี่เมื่อเรา รู้ว่าโลกมันมีสองอย่างอย่างนี้แล้วสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั้นมันมีอยู่สามอย่างคือหนึ่งสิ่งอันอาจให้โทษโดยส่วนเดียวเปรียบด้วยยาพิษสองสิ่งอันอาจให้โทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบด้วยของหมืนเมาสามสิ่งอันเป็นอุปการะเปรียบด้วยอาหารและเพสัชอันสบายอันชนผู้ไร้วิจารณย่อมหมกอยู่ในโลก คือติดอยู่ในโลกติดสิ่งที่มีอยู่ในโลกสามประการคือหนึ่งย่อมเลิดเพลินในสิ่งนั้นอาจให้โทษสองย่อมละเลงละเหลิงจนเกินพอดีในสิ่งนั้นอาจให้โทษสามย่อมติดในสิ่งที่เป็นอุปการะพระศาสาดาจัดชวนให้มาดูโลกโดยมุ่งโดยมุ่งหมายไว้สองอย่างคือหนึ่งมิใช่เพื่อให้ มาหลงชมสองเพื่อทรงปลุกใจพวกเราให้ให้ยังซึ่งลงไปถึงคุณโทษประโยชน์นะมิใช่ประโยชน์ในสิ่งนั้นแต่ว่าเรามาหลงชมกันก็เป็นส่วนมากเราดูหนังดูละครเราก็คล้อยตามไปตามเรื่องตำราวถึงขาวร้องให้อ่าถึงขาวตัวละครนั้น ถูกเนรเทศถูกจับถูกปีหรือว่าเกิดพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เสียใจยเราก็ร้องไห้ไปเขาหัวเราะเราก็หัวเราะตามไปด้วยนี่เรียกว่าเราเราดูเพื่อหลงชมเราดูก็หลงชมติดน่ะติดไม่เข้าใจในความหมายแต่จริงๆแล้วละครนั่นแหละพอปิดฉากกันแล้วก็คือคนเราธรรมดานี่เอง ตัวอย่างสมมุติเป็นกษัตริย์เป็นเจ้าเป็นเสนาเป็นอัมมาศเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นอืมแต่ที่เราไปดูเป็นจริงเป็นจังเราจรึงต้องร้องให้เราจรึงต้องชอบใจนะเราจรึงต้องชอบใจฉะนั้นอันนี้แหละเป็นความหมายของในบาลีที่หนึ่งทีนี้ในบาลีที่สองที่มาในจิตวิทยแห่งธรรมบทคุตตะนิกาย เกี่ยวกับเรื่องการสำรวมจิตถ้าปูใดสำรวมจิตผู้นั้นก็จะคนจังบวกแห่งมารเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ตัดพระคาถานี้ก็มีเรื่องว่ากูระบุตู้หนึ่งเป็นชาวเมืองสาวัตถีในฟังพระธรรมเทศนาแล้วมีความเรื่อมใสจึงออกบวชกูระบุตู้นี้ชื่อว่า สังคารคิตะเถระได้ทำความเพียรไม่นานเท่าไหร่ก็ได้บรรลุอรหรันต์เพราะเถระมีน้องอยู่คนหนึ่งน้องชายมีบุตรก็ตั้งชื่อว่าสังคารคิตะเมื่อเติบโตเจริญวัยขึ้นก็ไปบวชอยู่ในสำนักของพระเถระผู้เป็นลุงอยู่ในวัดใกล้บ้านแห่งหนึ่งได้ผ้าจำนำพันษาสองผืนผืนหนึ่งยาวเจ็ดสอกอีกผืนหนึ่งยาวแปดสอก หลานชายก็คิดไว้ว่าผืนเจ็ดสอกเป็นของเราส่วนผื้นที่ยาวแปดสอกนั้นจะถวายพระอุปชาคือหลวงหลงนั่นเองพอออกพรรษาแล้วก็เดินทางไปเยี่ยมหลวงหลงแต่ท่านแต่หลวงหลงไม่อยู่ไปธุระนอกวัดเสียยังไม่กลับจินเข้าไปในกุฏิจัดแจงปัดขวาเสนาสนะปูอาสนะตั้งน้ำใช้น้ำฉันไว้พร้อมสักแล้วก็นั่งคอยหลวงหลงอยู่ เมื่อเห็นท่านกลับมาแล้วจึงจัดการต้อนรับนิมนต์นั่งถวายพัดก็คือนั่งโบกพัดอยู่วงั้นเถอะแล้วก็นําเอาผ้าสาดกออกมาวางไว้แทบเท้าของท่านมอบถวายพระเถระก็ไม่รับอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่รับเวลาที่นั่งพัดอยู่นะคือคือเห็นว่าลุงลุงไม่รับก็ทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจ อืในขณะที่นั่งพัดลหลงไปใจก็คิดเลื่อน้อยนึกไปว่าเวลาเป็นครวาตเราก็มีศักเป็นหลานเวลาบวชเราก็มีศักเป็นติดของท่านด้วยเป็นหลานด้วยเราเป็นถึงคนใกล้ชิดสนิทคิดเชื้ออย่างนี้พระอุปชาคือหลงๆยังไม่ปรารถนาที่จะใช้สอยสิ่งของของเราที่ถวายเราจะบวชไปทําไมศึกดีกว่าอือเรา ก็คิดอย่างนี้แล้วก็คิดว่าเราขายผ้าผืนนี้ผืนที่ให้หลวงลุงเนี่ยเมื่อลุงลุงไม่เอาเราไปขายเมื่อขายได้เงินแล้วก็ซื้อแพะมาสักตัวหนึ่งนะนี่คิดนะนี่นี่พัดไปก็คิดไปโบกร้งลุงวัางั้นเถอะซื้อแพะสักตัวหนึ่งเมื่อเราเลี้ยงแพะคนานะเข้าแพะมันก็มีลูกเราก็จะขายแล้วก็รวบรวมเอาเงินทองให้มากแล้วก็หามีเมียสักคนหนึ่งมีเมียสักคนหนึ่งแล้วก็มีลูก สักคนหนึ่งก็จะตั้งชื่อเหมือนลวงหลงแล้วก็จะพามาไหว้หลวงหลงนะี่คิดดูสิคิดไปเรื่อยนะนะี่ยคิดเลื่อนลอยนะอืมทีนี้เมื่อเมือม่อเมื่อพามาไหว้หลวงหลงเวลาเดินตามทางมาก็เกิดการขัดแย้งทะเลาะกับภรรยาเรื่องโลกโกรธเมียมากจึงตีเมียด้วยประตักอีนะ่ตีเมียด้วยประตักนี่คิดนึ่คิดคิดแล้วก็ยกประตักขึ้นตีนะ่ะ ก็ปรากฏว้วนไม่ได้ยกประตักษ์ตื่นตีพัดที่กําลังโบกอยู่นั้นก็ตีไปที่ศรีรษะพระเถระเลยเปรียงเขาไปให้อืมก็ปรากฏว่าไม่ถูกแต่ที่ศรีรษะอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไปถูกเอาที่ดวงตาของพระเถระไปด้วยก็ทําให้พระเถระนั้นได้รับทุกขเวทานา ม, มากอืมท่านทราบความนึกคิดของหลานโดยตลอด ก็รู้ว่าพระเถระทราบความหลานก็คิดหนีคิดหนีแต่ว่าพวกพระหนุ่มสั ม, มนเนนน้อยก็ช่วยกันช่วยกันจับไว้ได้แล้วก็นำไปเฝ้าพระศ า, าสดาเมื่ อ, อเมื่อจะถามก็ทราบความเป็นไปแล้วก็ตรัสสอนว่าอย่าคิดไปเลยพิสุธรรมดาจิตมีปกติรับอารมณ์อยู่ในที่ไกลได้ พยายามพ้นจากราคะโทสะโมหะดีกว่าแล้วก็ตรัสสอนว่าผู้ใดจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามเป็นกรหัดก็ตามหรือเป็ น, นบรรดาชิตก็ตามสำรวมระวังจิตซึ่งไปได้ไกลเที่ยวไปดวงเดียวหาสรีระมีได้ผู้นั้นก็จับพ้นจากบ่วงแห่งมานพระพุทธเจ้าได้ได้รับ พระนามว่าโลกกวิถูผู้รู้แจ้งโลกก็พราะทรงทราบความเป็นไปของโลกอย่างดีเลิศหาผู้ใดเปรียบมิได้คือทรงรู้จักแผ่นดินเป็นที่อาศัยพร้อมทั้งหนูสัตว์ผู้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินและก็สังขารอันปรุงแต่งโลกแห่งวัฒนมต่างๆว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาบางครั้งก็จเจริญขึ้นบางครั้งก็เสื่อมลงซึ่งล้วนแต่เหตุปัจจัยแต่บรรดาลให้เป็นไป มีเครื่องลอ่อจิตหลายอย่างหลายประการชวนให้รักให้ชังให้หลงให้กลัวผู้ไม่รู้เท่าทันความเป็นไปของโลกก็ย่อมวุ่นวายไปตามด้วยอำนาจความทะเยอทะยานอยากแล้วก็ประพฤติในทางอันมิชอบเป็นเหตุให้หมกมุ่นพัวพันยากแก่การที่จะหลุดพ้นไปได้ฉะนั้นโลกโลกโดยตรงที่บอกว่าได้แก่แผ่นดินที่อาศัยโดยอ้อมก็ได้แก่มูสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดิน ก็เป็นต่าง ๆ, ๆกันชวนให้หน่าชมน่าเพลิดเพลินหมูสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินก็มีต่าง ๆ, ๆกันหลายชาติหลายภาษาหลายหมูหลายเหล่าเป็นคนดีบ้างเป็นคนชั่วบ้างเป็นคนเจริญบ้างเป็นคนเสื่อมบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานอแม้พวกสัตว์เดรัจฉานก็มีประเภทต่างๆหลายอย่างหลายชนิดทั้งสัตว์ตีเท้าสัตว์สองเท้าอสัตว์มากเท้าสารพัด ส, สัตว์บกสัตว์น้ํา สัตว์อยู่ในอากาศาในดินเยอะแยะฉะนั้นในโลกคือพวกชุมนุมมนุษย์ทั้งถิ่นที่สำนักนถินที่สำนักฉะนั้นนี่แหละจึงบอกว่าพวกมนุษย์จึงได้ติดติดสิ่งที่มีอยู่ในโลกสามประการที่ได้กล่าวมาข้างต้นฉะนั้นชนผู้ไร้ปัญญาพิจารณาไม่ยังเห็นโลกโดยท่องแท้ย่อมเพลิดเพลินในสิ่งนั้นอาจให้โทษ ย่อมละเหลืองจนเกิดพอดีในสิ่งนั้นอาจให้โทษย่อมติดอยู่ในสิ่งนั้นเป็นอุปการะก็ชื่อวา่าหมกอยู่ในโลกนะชื่อวา่าหมกอยู่ในโลกเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้รับความสุขบ้างทุกบ้างเคา้าคะกันไปนะแม้สุขที่ได้ก็เป็นสุขจอมตอมเรียกว่าสุขอิงอางนิดนะเป็นเครื่องรอดใจนะเหมือนกับเหยื่อที่ติดเบ็ดไว้ นผู้ที่ติดเยื่อนั้นก็ย่อมจะถูกเบ็ดจูงไปตามที่ปรารถนาส่วนนักปราศส่วนบัณฑิตพิจารณาเห็นความจริงของสิ่งนั้นๆความจริงของโลกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะต้องวิป ร, ริตแปรผันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วไม่เกาะเกี่ยวพันอันสิ่งนั้นใครๆก็ไม่อา จ, จอยั่วยุให้ติดโดยประการใดประการหนึ่งได้ยอ่ยอมเป็นอิสระแก่ตัวเอง ย่อมเป็นอิสระแก่ตัวเองอันนี้แหละอะสมเด็จพระบรมศาสดาจึงชวนให้พวกเรามาดูโลกอันวิกิตงดงามเหมือนกับราชรถครั้งโบราณมิใช่เพื่อให้หลงชมดุดดังดูละครเพื่อความเห็นสนุกสนานฉะนั้นที่ให้เราดูโลกก็เพื่อประสงค์จะปลุกใจพวกเราให้ยังเห็นลึกซึ้งถึงโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แห่งสิ่งนั้นๆอันคุมกันเข้าก็นโลก เหมือนดูละครเพ่งเอาคติชั่วดีอันแสดงไปตามเรื่องด้วยกําหนดรู้คติของคนเขาและคนฉลาดเมื่อเล็งเห็นโลกโดยแน่ชัดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ตื่นเต้นนะก็จะไม่หลงในสิ่งอันชวนให้ตื่นเต้นในสิ่งอันชวนให้หลงไม่ติดใจในสิ่งอันเป็นที่ชวนให้ติดใจงั้นเมื่อผู้ใดสำรวมจิตอยู่ไม่ปล่อยไม่พัวพัน ในสิ่งอันล่อใจผู้นั้นก็จะหลุดพ้นจากบ่วงแห่งมารไปได้อาการสำรวมจิตก็มีสองอย่างก็คือสำรวมอินทรีย์หกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกลมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจในึกคิดในอารมณ์ต่างๆหรือว่าลิ้มรสถูกทารสัมผัสอันสิ่งที่น่าปรารถนา สองมานณาจิการกรรมฐานอันเป็นปฏิปักต่อการมชันทะคืออสุภะในกายคตาสติหรืออันยังจิตให้เกิดความสลดหรือว่ามรณสติก็สามเจริญวิปัสนาคือพิจารณาสังขารแยกเป็นขันธ์สันิฐานเห็นเป็นสภาพไม่เที่ยมเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนเป็นอนัตตาอือที่บอกว่า อาการทั้งรวมจิตนั้นมีสองขอพระสารโทษมีสามอย่างนะมีสามอย่างฉะนั้นกิเลสการมคือเจตสิกอังเศร้าหมองชักให้ไข้ให้รักให้อยากได้กล่าวคือตัณหาความทยานอยากราคะความกำหนัดอรติความขึงเครียดเป็นต้นจัดเป็นมารเพราะเป็นโทษล้างผลาคุณความดีและทําให้เสียคนเป็นกิเลสมาร น, นะเป็นกิเลสมารฉะนั้นมารคือกิเลส วัตถุกรรมคือรูปเสียงกลิ่นรสโภทพะอันหน้าปราถนาจัดเป็นบวงแห่งมารเพราะเป็นอารมณ์เครื่องผูกใจให้ติดอยู่ในมนันนี่ก็หมายถึงว่าถ้าผู้ใดนะผู้ที่พ้นจากวงแห่งมารด้วยการสํารวมจิตก็โดยการสามอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วก็คือต้องสํารวมอินทรีย์หกแล้วก็มีมณสิการกรรมฐานเจริญนิปัสนาเจริญนิปัสนาเราทาอย่างนี้ได้ อเราก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญนี่ก็เป็นเป็นเรื่องของของเกี่ยวกับการที่เราได้มองโลกนะเกี่ยวกับการที่เราได้มองโลกหรือว่าเราสำรวมจิตเราก็จะค้นจากรวงแห่งมารได้นะสำรวมจิตเราก็จะพ้นจากวงแห่งมารได้ไดทีนี้ก็มีสิ่งที่อยากจะถาม เป็นเป็นคำถามให้นักเรียนนักศึกษาได้เข้าใจว่าในปรมธธาถะปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาปัญญาอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับศีลและสมาธินี่ใช่หรือจงแสดงหลักฐานในธรรมวิจารณ์อันนี้เราก็แก้ ว, ว่าเกี่ยวกับศีลสมาธิ ด, ด้วยเพราะปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้นต้องอาศัยสมาธิเป็นพื้น ต้องอาศัยศีลเป็นพื้นทั้งสามองนี้คือหมายถึงว่าศีลสมาธิปัญญาขาดไม่ได้ต้องประกอบกันเป็นมัคคสังคีคือหมายถึงว่าพร้อมเพรียงกันทั้งสามอย่างจึงจะทำให้บรรลุ ถ, ถึงปรมัาภะประโยชน์ได้อหลักฐานในธรรมวิจารณ์ก็คือวิสุท ธ, ธิอีกบรรยายนึงพระนามมักมีองแปดสมเพรเข้าเป็นวิสุธทธิเจ็ดมีศีล สมาธิรวมอยู่ด้วยหรื อ, อยังกันในคำถามที่ว่าในาปรมัภิปฏิปทากล่าวโดยสรุปแสดงอะไรเป็นตัวปรมัติปาอะไรเป็นปรมาภิปทาจงกล่าวโดยอนุปุภิปฏิปทาเราก็แก้ว่า อาภูมิธรรมตั้งแต่นิพิทาเป็นต้นไปจนถึงนิพพานเป็นตัวปรามัตถะปรมัตตปฏิปทาเมื่อกล่าวโดยอนุปุพภะปฏิปทาคือหมายถึงว่าปฏิปทาที่ดําเนินไปโดยลําดับความพิจารณาเห็นสังขารเป็นไตรลักษณ์ทั้งสามคือเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเห็นปฏิปทาเห็นปฏิปทาเป็นปฏิปทาเห็นนิพิทาคือความเบื่อหน่ายต่อจากนั้น ตัวภูมิธรรมเบื้องต้นก็เป็นปฏิปทาแห่งภูมิธรรมเบื้องปลายคื อ, อนิพิทาเป็นปฏิปทาแห่งวิราคะวิมุตติิสุทดสันตินิพพานสืบเนื่องกันโดยลําดับอมสืบเนื่องกันโดยลําดับหรือถ้าจะถามว่าในถ้าจะถามว่าปรมัตภะในคําว่าปรมัตภะปฏิปทาประสงค์ถึงอะไรจะให้เหตุผลที่ประสงค์อย่างไร เราก็แก้ว่าประสงค์ถึงนิพพานเพราะนิพพานเป็นที่ดับทุกข์นะเป็นที่ดับทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงเป็นคุณธรรมที่อำนวยประโยชน์อย่างยิ่งยวดไม่มีคุณธรรมอื่นใดที่จะให้ประโยชน์ถึงเพียงนั้นหรือถ้ า, ากว่าเราจะถามอีกว่า พวกพานและพวกบัณฑิตมีความสัมพันธ์กับโลกต่างกันอย่างไรจงวิจารณ์พร้อมทั้งเหตุผลอันนี้เราก็แก้ว่าต่างกันอย่างนี้พวกพานย่อมหมกตนอยู่ในโลกส่วนพวกบัณฑิตย่อมพยายามจะถอนตนออกจากโลกเพราะพวกพานเป็นผู้ไร้วิจารณญาณไม่ยังเห็นคุณและโทษประโยชน์ของโลก ประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของโลกโดยทองแท้ย่อมเพลิดเพลินในสิ่งอันอาจให้โทษระเริงจนเกินประมาณในสิ่งอันอาจให้โทษในเมื่อเกินพอดีและติดอยู่ในสิ่งอันเป็นอุปการะเห็นโลกแตะหนึ่งเคหสถานอันมั่งคั่งถาวรไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีทางเกิดไม่มีไม่มีทางเกิดทุกข์และเป็นของตนไม่รู้จักสลายไป ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนขึ้นจึงยอมหงกตนอยู่ในโลกส่วนพวกบัณฑิตเป็นผู้มีสติปัญญาด้วยการวิจารณญาณย่อมปณิฐานเห็นคุณและประโยชน์และม่ใช่เห็นโทษและมิใช่โทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของโลกโดยท่องแท้ย่อมสละเสียในสิ่งอนัให้โทษย่อมรู้จักประมาณในสิ่งอนอจให้โทในเมื่อเกินพอดี และไม่หลงติดอยู่ในสิ่งอันเป็นอุปการะยังเห็นโลกปร ะ, ประหนึ่งว่าเคหาดอันเป็นที่พักชั่วคราวแล้วก็กําลังถูกไปเผาผลาญรีบคิดอ่านหาประโยชน์ที่ตนจะพึงได้จากโลกแล้วก็รีบหนีออกไปนะรีบหนีออกไปหรือถ้าจะถามว่า คำว่าหมกอยู่ในคําว่ายัตถภาลาวิสีทันติที่พวกคนเขาหมกอยู่นั้นหมายถึงหมกอยู่ในอะไรด้วยอาการอย่างไรและถ้าคงยังหมกอยู่เช่นนั้นจะเกิดผลอย่างไรอันนี้ถ้าไม่หมกอยู่คือถอนออกได้จะเกิดผลอย่างไรเราก็แก่ว่า หมายถึงหมกอยู่ในโลกด้วยอาการที่เพลิดเพลินในสิ่งอันอาจให้โทษระเริงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจให้โทษติดอยู่ในสิ่งอันเป็นอุปการะและถ้ายังคงหมกอยู่ในโลกเช่นนี้ก็ย่อมได้เสวยสุขบ้างทุกบ้างอันสิ่งนั้นๆก็จะพึงอํานวยแม้สุขก็เป็นเพียงสุขจอมปลอมคือมีเหยื่อเจือปนเป็นเครื่องร่อใจเป็นเหตุให้เกิดความคิดฟุง้งซ่านคิดฟุง้งซ่าน ถ้าไม่หมกอยู่ในโลกคือถอนตนออกจากโลกได้แล้วก็ไม่ข้องไม่พัวพันในสิ่งอัน่อดใจอันใครๆไม่อาจย่ให้ติดอยู่กับการใดกระการหนึ่งย่อมเป็นอิสระด้วยตนก็ย่อมได้สุขอย่างแท้จริงนะย่อมได้สุขอย่างแท้จริงหรือถ้าจะถามว่าโลกกับทั้งปฐพีที่อาศัยและมูสัตว์มีมนุษย์เป็นต้นย่อมงามวิจิตการตาโดยธรรมชาติบ้าง โดยบุคคลปรุงแต่งขึ้นบ้างที่เป็นยั่วยวนพออยู่แล้วท่านยังแสดงโลกสวรรค์ว่าวิเศษกว่านี้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้เราควรปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าผู้ประกอบด้วยสัพพะโลกเกออนาพิรตะสัญญาอันนี้เราก็บอกว่าควรปฏิบัติอย่างนี้คือพิจารณาโลกที่ปรากฏอยู่ทั้งคุณและโทษทั้งประโยชน์มใช่ประโยชน์ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าโลกถึงจะดีวิเศษอย่างไร ก็จเจริญขึ้นได้บางคราวและก็เสื่อมในบางคราวไม่คงทนถาวรต้องตราถนาเพราะเป็นเช่นนี้สัตว์ผู้ติดอยู่ในโลกจึงได้เป็นทุกข์ถึงตราถนาอย่างไรก็ไม่สมหวังเพราะโลกเป็นสังขารย่อมเป็นไปตามธรรมดาของสังขารไม่อยู่ในอำนาจของผู้ใดเมื่อเล็งเห็นเช่นนี้ก็จะได้ไม่ละเหลิงหลงอยู่ในโลกทั้งปวงเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง นิพพิทาเกี่ยวกับเรื่องโลกในขอแรกก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้นักเรียนนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีโดยทั่วกันขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายวันนี้จะพูดต่อจากคราวที่แล้วคือเรื่องนิพพิธา ในตอนที่ว่าปฏิปทาแห่งนิพิทาคือหมายถึงว่าข้อดำเนินไปให้ถึงความเบื่อหน่ายอุเทศว่ามีข้ออุเทศว่าสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพสังขาราทุกขาติสัพเพธรรมาอนัตตาติ ยทพาปัญญายปัสติอาฏานิพินทติทุเขเเอสะมะโควิสุทธิยาซึ่งแปลความว่าเมื่อใดเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยมเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนาาัตตาเมื่อนั้นย่อมหนในทุก นั่นเป็นทางแห่งวิสุท ธ, ธิหรือว่าเป็นทางแห่งบริสุทธิ์อันนี้ก็มาในมักควักแห่งธรรมบทคุตตะนิกายซึ่งก็จะได้ขยายความให้กว้างฟังออกไปอีกว่าในในปฏิปทาแห่งนิพิธานนี้ก็มุ่งกล่าวถึงเรื่องสังขาร ฉะนั้นคำว่าสังขารก็ได้แก่ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรวมเรียกว่าปัญจขันสังขารในไตร ล, ลักษณ์หมายเอาสภาพอันธรรมดาแต่งขึ้นสังขารในขันห้าหมายเอาสภาพอันทรงแต่งใจให้เป็นไปต่างๆสังขาร น, นี้แม้มีประเภทต่างๆกันด้วยอํานาจแห่งกรรมจําแนกดังพระบาลีว่ากรรมมังสัตเตวิภัชติ ยะทีทางฮีน ป, ปะหฮยน ป, ปะนีตะตายะกรรมย่อมจําแนกสัตย์ให้เลวและสัตตแต่ในทางหนึ่งคงมีลักษณะเสมอกันคืออนิจจตาความไม่เที่ยงทุกขตาความเป็นทุกข์อนัตตาความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวไม่มีตนซึ่งเรียกสามัญลักษณะซึ่งเรียกว่าสามัญลักษณะคือลักษณะอันเสมอกันแห่งสังขาร หรือจะเรียกว่าใราลักโกได้คือลักษณะทั้งสามอย่างลักษณะทั้งสามก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีปกติสําหรับมีปกติสําหรับโลกไม่มีใครปรุงขึ้นเป็นธรรมธาตุเป็นเครื่องนํายงดํารงอยู่ของของธรรมเป็นธรรมทิฏฐิเป็นเครื่องตั้งอยู่ของธรรม เป็นธรรมนิยามเป็นเครื่องกำหนดหมายของธรรมข้อนี้มีพระพุทธภากิจในธรรมนิยา ม, มสูตรว่าอปปาทาวาภิกเเวตถาคตาณังเป็นต้นแปลความว่าพิสุทั้งหลายถ้าตถาคตจะเกิดขึ้นหรือมิเกิดขึ้นก็าตามธาตุอนนั้นความตั้งอยู่ของธรรมนั้นความเป็นธรรมของธรรมนิยามนั้นว่าสัพเพสังคาราอนิจจา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สัพเพรธรรมะอนัตตาทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่มีตัวไม่มีตนทำสามประการนี้ตั้งอยู่คงที่ไม่ยักย้ายก็ตะถาคตจัดรู้ธรรมธาตุธรมธรมทิฏฐิธรรมทิฏฐิธรรมนิยามจึงบอกแสดงบัญญัติไว้ เปิดเผยจาแนกกระทาให้ตื้นประกาศให้สัตว์อื่นได้ยินว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาทีนี้อันนีจ้จะตาความไม่เทีย่ยงย่อมกาหนดรู้ได้โดยทางง่ายๆนะโดยทางง่ายๆให้เราพิจารณาอย่างง่ายๆอยู่สามทางหรือว่าสามอย่างคือพิจารณาอย่างหยากนะ พิจารณาอย่างหยาบอย่างหยาบก็คือให้พิจารณาว่าความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็ตายในที่สุดเสือมสิ้นไปในเบื้องปลายนี่พิจารณาอย่างหยาบหรือดังบาลีว่าอนิจจาวัสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชชิตวานนรุชันติ สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาไม่เลือกว่าสังขารชนิดไรชนิดก็ตามตามก็ตามเกิดขึ้นแ ล, แล้วก็ย่อมดับไปนี่เรียกว่าเราพิจารณาอย่างยาวส่วนในอย่างกลางก็คือให้เราพิจารณ า, า, าระหว่างเกิดกับตายนะพิจารณาระหว่างเกิดกับตาย คือหมายความว่าเมื่อคนเราเกิดมาแล้วแน่นอนที่สุดก็มีการแปรเปรวนไปไอหมายถึงว่าไอตัวปัจจุบันคือตัวตั้งอยู่ตัวนี้เนี่ยตัวตั้งอยู่ตัวนี้เนี่ยมันแปรเปลีนไปอยู่เสมอแปรเปรวนไปอยู่ตลอดเวลาเมื่อแปรเปรวนไปตลอดเวลาในระหว่างแปรเปนระหว่างระหว่างเกิดสับตายนี่เนี่ย หมายถึงว่าตัวตั้งอยู่อันนี้เนี่ยเรากำหนดอย่างกลางนะเป็นเป็นอย่างกลางเราก็จะเห็นชัดนะเราก็จะเห็นชัดหรือถ้าหากว่าจะพูดเป็นในทางบาลีก็คือว่าอัจเจนติกาลาตะระยันติระติโยวะโยคุณาอนุปุกขังจะหันติ การย่อมล่วงไปราติย่อมผ่านไปชั้นแห่งวัยก็ย่อมละไปตามลำดับหรือจะต่อหน่อยหนึ่งว่าบัดนี้ท่านทำอะไรอยู่ก็หมายความว่าให้เราให้เราได้พิจารณาสังขารในระยะการในระหว่างเกิดสบดับท่านแบ่งออกเป็นสามวัย คือสามวัยคือหมายถึงว่าในปรถมวัยแล้วก็ในวัยต้นเรียกว่ากระถมะวัยในวัยกลางก็เรียกว่ามัดฉิมมะวัยในวัยหลังหรือว่าวัยแก่ก็เรียกว่าปัดฉิมมวัยความแฝงแห่งสังขารผ่านวัยทั้งสามนี้ท่านเตียนด้วยการเดินข้ามสะพานสูงสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ต่าลงต่าลง แต่คงผ่านไปไม่ตลอดทุกคนโดยมากย่มดับเสียในระหว่างเพราะกำลังแห่งความเป็นอยู่อันธรรมดาแต่งมากล่าวคืออายุไม่เสมอกันและก็ยังถูกปัจจัยภายนอกสนับสนุนหรือว่าตัดรอนอีกอันนี้ถ้าหากว่าเราจะพิจารณาให้ละเอียดนะขัน ท, ที่สามคือพิจารณาอ น, นิจจตาให้เห็นในทางละเอียดก็คือว่ากาหนด เห็นความแปรแห่งสังขาไปชั่วขณะหนึ่งๆคือไม่คงที่อยู่นานเพียงในระยะการนิดเดียวก็แปรแล้วอันนี้ในคาถาในกคมทีวิสุทธิมัค่านแสดงไว้ว่าชีวิตตังอัตภาโวจะสุขะทุกขาจะเกวลาเอกจิตตสมายุตาระหุโสวัตตะเตคโนชีวิตอัตภาพ และสุขทุกข์ทั้งมวลประกอบด้วยจิตดวงเดียวขณะย่อมเป็นไปพลันอันนี้ก็หมายความว่าให้เราเห็นชัดในนามกายว่าจิตบางขณะก็ย่อมคุณงัวบางขณะก็ย่อมท่องใสบางขณะก็นึกอารมณ์อย่างนี้บางขณะก็เสวยสุขบางขณะก็เสวยทุกข์บางขณะก็เสวยอุเบกขา สัญญาเจตนา ว, วิจติกิจา์ย่อมแปลไปตามขณะที่ตรารบอารมณ์นั้นๆแม้รูปรกายก็เช่นเดียวกันย่อมแปลไปเหมือนนามกายเช่นฟันแท้เวลาเคี้ยวอาหารย่อมไม่สุดหรอดุดฟันเทียมแต่ความจริงย่อมกลอนไปเช่นเดียวกันเพราะมีอนุอนุเกิดแทนกันจึงตรากฏอย่างนั้นนะตรากฏอย่างนั้นนี่เรียกว่า เราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องอนิจจตานะั่นเรียกว่าความดับแห่งสังขารในการทั้งสามสังขารเราใดเกิดขึ้นแล้วในอดีตสังขาเรเหล่านั้นก็ดับแล้วในอดีตสังขารเราใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขาเรเหล่านั้นก็ย่อมดับในปัจจุบันสังขารเราใดจะเกิดขึ้นในอนาคตสังขารเหล่านั้นก็จะดับในอนาคต ทีนี้ถ้าในทางละเอียดต่อไปเราก็กำหนดรู้ในความแปรในระหว่างเกิดกับดับเกิดกับดับเมื่อเราเราพิจารณาอย่างละเอียดลงไปกว่านั้นอีกก็คือว่ากำหนดเห็นความแปรแห่งสังขารไปทุกๆลมหายใจเข้าออกว่าไม่คงที่อยู่นานนะมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา หรือท่านาความเกิดและดับความแปรไปในระหว่างสังขาร น, นั้นกล่าวมาก็สรุปเข้าในบาลีว่าอุปัชติเจวะเวติจะั ญ, ญฐานจะภวติแปลว่าย่อมเกิดขึ้นด้วยเทียวย่อมเสื่อมไปด้วยย่อมเป็นอย่างอื่นด้วยนี่เป็นอนิจจลักษณะเครื่องกําหนดว่าไม่เที่ยงแห่งสังขารอนิจจลักษณะนี้ ย่อมได้ในสังขารทั้งสองคืออุปาทินากาสังขารและอนุปาทินากาสังขารหมายถึงว่าสั ง, สงขารมีใจครองแล้วก็ไม่มีใจครองทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต ก, มกม็มีการไม่เที่ยงเป็นลักษณะเหมือนกันทีนี้เราก็มาพิจารณาถึงในข้อสองก็คือทุกขตาเความเป็นทุก ความเป็นทุกย่อมกํนะาหนดเห็นทุกนะย่อมกําหนดเห็นทุกสิบอย่างนะเรากํนะาหนดได้โดยทุกสิบอยา่างคือหนึ่งสภาวะทุกข์หรือเรียกว่าทุกประจําสังขานคือชาติชารามรณะอชาติชารามรณะซึ่หมายถึงว่า สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะป้องกันได้แต่ให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันว่าเราเกิดแล้วเราแก่แล้วนะเราก็จะตายแล้วนะเราควรรีบสร้างคุณงามความดีทำความเพียรให้มากแม้ถึงที่สุดอาจจะได้มรรคผลนิพพานก็ได้นีฉะนั้นสภาวะทุกข์นี้เรา ้องกันไม่ได้แต่ให้เรามีสติปัญญารู้เท่าทันแล้วก็เป็นทุกประจําสังขารของทุกคนข้อที่สองบกินอากาศทุกหรือทุกขจรอ่าหรือทุกขจรก็ได้แก่โสกะความเศร้าโศกปริเทวะความร่ำไรทุกขความไม่สบายกายไม่สบายใจโทมนัสความเสียใจยปายาสความาตรอมใจนะทุกสองบทนี้แสดงไว้ในบาลีทั่วไป แต่ที่ท่านยังแสดงต่อไปอีกว่าอภีเยหิตัมภโ ย, ยโคทุกโขอภีเยหิวิปโ ย, ย, ยโคทุกโขยำปิดฉังนราติตกามปิ ท, ขขปมยยทุกขังสังคิตเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาอภีเยหิตัมภโยโคทุกโขก็หมายถึงว่าประสบสิ่งความทับทากจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์อภีเยหิวิปโ ย, ยโคทุกโขก็หมายถึงว่าความ กระจกในสิ่งที่ไม่น่ารักก็เป็นทุกข์ยำปิดขังนรกสติตามปิทุกขังศาถนาสิ่งใดไม่ได้ดังศาถนาก็เป็นทุกข์สรุปแล้วก็คือว่าทุกข์ในขันห้านั่นเองนะเมื่อมีขันห้าก็เป็นทุกข์นะรวบยอดลงแล้วจะทุกข์ในขันห้านี่ทุกข์ในหมวดที่สามทุกข์ในหมวดที่สามก็ได้แก่นิพพัทธทุกข์ คือทุกเนื้องนี้ถือว่าทุกเป็นเจ้าเรือนได้แก่หนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะทุกที่สี่ก็คือปยาทิทุกขหรือทุกขเวทนามีประเภทต่างๆตามสมุดฐานมีอวัยวะอันเป็นเจ้าการไม่ทําหน้าที่เป็นปกติอาจจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ตามสมุดฐานข้อแปดสันอา้าข้อห้าสันตาประทุกอทุก ที่ร้อนรุ่มขมใจหรือว่าทุกร้อนได้แก่ความกวนกระวายใจอเพราะถูกไปภายในภูเกลสได้แก่ราคะโทสะโมหะเผาผลาญเรียกว่าราคะขี้โทสะขี้โมหะขี้ไปคือราคะไปคือโทสะไปคือโมหะแผดเผาทุกข์ที่หกคือวิปาสกุลทุกข์ได้แก่ทุกข์คือผลของกรรมได้แก่ความร้อนใจ การสเสวยอารมณ์หรือถูกลงอัดยาความชิดหายความลำบากตกยากาหรือว่าความตกในอบายอันผลจากที่กระทำความกรรมชั่วต่างๆในทุกที่เจ็ดก็คือสหัตกตุกคือ ท, ทุกไปพร้อมกันหรือว่าทุกกำกับกันอันนี้ก็หมายถึงว่าได้แก่ทุกที่เนื่องมาจากวิบูญผลเช่นว่าเราได้มีลาบก็กลัวจะส่วนลาบ ทุกข์กลัวจะเสื่อมลาภเรามียศเป็นทุกข์ก็กลัวจะเสื่อมยศเเราได้สุขก็กลัวจะถูกนินทาเห็นไหมมีทุขมีทุกข์มีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์แล้วก็มีสุขก็กลัวจะทุกข์มีนินได้รับการสรรเสริญก็กลัวจะถูกนินทานี่เรียกว่าจักกะตระทุกขแล้วก็ข้อที่แปด ทุกที่แปดก็คืออาหาระระเบียตดทุกคือทุกในการทำมาหากินนะในการทำมาหากินคือทุกเนื่องด้วยการเลี้ยงชีวิตต้องและกลำลาบากมีการแย่งกันเอารัดเอาเปรียบกันปัดแกงปัดขากันชิงดีชิงเด่นกันหรือบางทีก็มีการเอารัดเอาเปรียบด้วยการถกชิงวิ่งราวทีดต้นฆ่ากันอนี่แหละมันเป็นทุกข์เหลือเกินในการทำมาหากิน ยิ่งในปัจจุบันนี้ก็ยากมากนะเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินาภาวะเศรษฐกิจก็แพงนะทำใหเ้เดือดร้อนกันมากเกี่ยวกับเรื่องการทํามาหากินมาในทุกข้อที่เก้าก็คือวิวาทมูลและกระทุกคือทุ ก, ท ก, ท ก, ทกมีวิวาทเป็นมูลได้แก่ความไม่โปรงใจความกลัวแพ้ความหวัดวันมีเรื่องมาจากการทะเลาะเบาะแวงกันหรือว่ามีการสู้คดีขึ้นโรงขึ้นศาลกันนะก็เลยเป็นทุก ข้อที่สิบก็คือทุกขขักขันหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทุกรวบยอดหมายเอาสังขารที่ประชุมแห่งเบญจขันดังแสดงในบาลีธรรมจักปรปวัตนวตนสูตรว่าสังกิเตนะฟันตุปาทานขันธาทุกขาโดยย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกข์นะถ้าแสดงในปฏิจจสมุปบาทว่าเอวเมตสะเกวรสะทุกขกขันทัสสะ สมุทโยโหติความเกิดขึ้นแห่งความทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมมีด้วยอย่างนี้นะย่อมมีด้วยอย่างนี้ฉะนั้นในทุกคลักษณะนี้ในทุกคลักษณะนี้ย่อมได้เฉพาะในอุปาทินกาสังขารคือจําพวกมนุษย์และสัตวนะ์ก็หมายถึงว่าได้ในสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นปรากฏกับสิ่งที่มีชีวิตเท่านั้นคือหมายถึงว่ารับรู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่ในสิ่งที่ไม่มีชีวิตไม่รู้นะ ไม่รู้อย่างกับพวกสิ่งไม่มีชีวิตเราก็ไม่รู้เป็นทุกข์หรือเปล่าเราเอาน้ําร้อนรดพื้นดินไปไม่รู้แผ่นดินเป็นทุกข์หรือเปล่าต้นไม้เป็นทุกข์หรือเปล่าอแต่บางอาจารย์บางท่านก็ปราัถนาให้ได้ในอุปาอนุปาทิฏิขาดสังขารด้วยเหมือนกันท่านบอกว่าผู้เข้าไปยึดด้วยอุปาทานนั้นก็ทนได้ยากบางท่านก็แสดงความเฉาความซีดแห่งใบไม้ต้นไม้ว่าเป็นอาการสวยทุกข์ของมัน อาทีนี้มาในเรื่องของอนัตต า, าข้อที่สามคืออนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตนก็พึงกำหนดรู้ด้วยอาการห้าอย่างากาหนดรู้ด้วยอาการห้าอย่างข้นหนึ่งด้วยไม่อยู่ในอำนาจหรือว่าฝืนความปรารถนาดังแสดงไว้ในอนัตตลักษณสูตรว่าถ้าปัญจขัน์จับเป็นอนัตเป็นอัตตาแล้วไซปัญจขัน์ก็ไม่คงเป็นไปเพื่ออาพาธ และจักพึงได้ในปัญจขันธ์ตามความปรารถนาว่าขอปัญจขันธ์ของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยเหตุใดปัญจขันธ์เป็นอนัตตาเหตุนั้นปัญจขันธ์จึงเป็นไปเพื่ออาพาธและไม่ได้ในปัญจขันธ์ตามความปรารถนาอย่างนั้นเอาพูดถึงเรื่องปัญจขันธ์นักเรียนนักศึกษาและผู้ฟังอาจจะงงแต่ถ้าเราพูดบอกว่าในขันห้าพาว่าขันห้ามีตัวมีตนนะขันห้ามีตัวมีตน แน่นอนที่สุดไอ้ตัวเราก็คงไม่เป็นไปเพื่อความเจ็บปวดป่วยไข้นะไม่เจ็บปวดป่วยไข้แต่นี่ขันห้าพวกเวทนาสัญญาสังขารยัญญาไม่มีตัวไม่มีผลซึ่งเป็นไปเพื่อความเจ็บปวดป่วยไข้เป็นไปได้สารพัดนะในข้อที่สองด้วยแย้งต่ออัตตานะแย้งต่ออัตตาคือหมายความว่า สิ่งใดอสิ่งสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือที่เราจะตามเห็นสิ่ง น, นั้นว่านั่นของเรานั่นเป็นเราเป็นตัวของเราอ่ามันแย้งต่ออัตตาคืออัตตาก็หมายถึงความเป็นตัวตนแต่ว่าสังขารมันเป็นอันั้ตาคือไม่มีตัวตนเนี่ยมันแย้งกันอยู่ตลอดเวลามันทําลายกันอยู่ตลอดเวลานะมันทําลายกันอยู่ตลอดเวลา มาในข้อที่สามด้วยเป็นสภาพหาเจ้าของมีได้หาเจ้าของมีได้ดังแสดงในสูตรทั้งหลายมีอนัตตลักณะสูตรเป็นต้นว่าเ <c oughs> น, นตังมะมะเนโซหมามัสมินะเมโสอัตตานั่นมิมใช่ของเรานั่นมิช่เรานั่นมิช่ตัวของเรา เธอตัวของเราไม่มีใครเป็นเจ้าของถ้ามีใครท่าถามถว่าเราเป็นเจ้าของเราก็บังคับได้น่บังคับได้แต่นี่มันเราบังคับไม่ได้ว่าอย่าแก่นะนอะย่าเหียวอ ย, ย่าโยนปันอย่าโยกยอย่าพรอตายอย่ามัวนะนี่เราบังคับไม่ได้อย่าเจ็บป่วยนะเราก็บังคับไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็เราก็คงจะไม่ต้องมาใช้พวกยาปลุกผมกันยาหยดตากันเมคอัพเครื่องแต่งจันน้ำมันหอมกันแน่แต่นี่ต้องเราต้องมาใช้กัน ยาอายุวัฒนาต่างๆก็เพื่อจะทะลอกความแก่นั่นเองมาในข้อที่สี่ด้วยความเป็นสภาพสูงคือว่างหรือว่าหายไปนว่างหรือหายไปอันนี้ก็ได้กับในหลักบาลีที่ว่าสุญโโตโลกังอเวขัสตุโมขราชะตาสโตอัตานุทิถ์ถิงโอหัจจะเอวังมัจจุตโร สิยาเอวังโลกังเอเวขันตังมัตจุราชานัปสติซึ่งแต่ว่าโมคราชท่านจงมีสติทุกเมื่อเล็งเห็นโลกโดยความเป็นของศูนย์พรอนอัตานุทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเสียท่านพึงจะเป็นผู้ข้ามพ้นจากอมรรตยูเสียได้เ ม, มื่ออมัจุราชย่อมไม่เห็นชนผู้เลง็งเห็นโลกอยู่อย่างนี้ นี่เรียกว่าสังขารเป็นสภาพว่างนั้นก็พึงรู้อย่างนี้เพึงรู้อย่างนี้ทีนี้มาในข้อที่ห้าในข้อที่ห้าด้วยความเป็นสภ า, าวะธรรมเป็นไปตามเหตุปัจจัยเป็นลักษณะรวบยอดแห่งอาการทั้งสี่แสดงบาลีไว้ว่ายธาาหเวปาตุพวันติธรร ม, มาอาตาปิโนชยโตระมณัชจั์อาทัตจั กังขาววประยันติสัพพายะโตปชานาติสเสหตุธรรมังพูดง่ายๆนะเป็นต้นพูดง่ายๆก็คือในการใดแลทำทั้งหลายย่อมปรากฏแก่ตามผู้เพียรเพ่งพิจารณาในการนั้นความสงสัยของตนนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ความเป็นไปด้วยเหตุเพราะความรู้เพราะรู้ความสิ้นไปแห่งสัจใจ อารัฐภิของทางและลัทธิอื่นๆที่เชื่อความเวียนว่ายตายเกิดย่อมถือว่าในรูปประกายเหล่านี้มีตัวตนสิ่งอยู่เป็นผู้คิดเป็นผู้สวยเวทนาสําเร็จการอย่างอื่นอีกนะแต่ฝ่ายศาสนาแย้งว่าตัวเราไม่มีนะไม่มีตัวเราเป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นเพราะเหตุสิ้นไปก็เพราะเหตุดังบาลีแสดงว่า เยธรรมมาเหตุตุปภวาเตสังเหตุสงสักตะโตเตสังจะโยนิโรโทจะเอวังวาทีมหาสมโนทำเราใดเกิดแต่เหตุพัฒนาคดจัดเหตุแห่งทำเหล่านั้นจัดความดับแห่งทำเหล่านั้นธรรมหาสมณะเจ้าจัดอย่างนี้พูดง่ายๆก็คือว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุสิ่งนั้นก็ยำดับลงด้วยเหตุสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็ล้วมมีความดับเป็นธรรมดานี่ทีนี้การพิจารณาสังขาร การพิจารณาสังขารเป็นอนัตตาเว้นโยนิโสมานสิการอาจกลายเป็นนัตถิกาทิฏฐิไปก็ได้ฉะนั้นความเห็นอนัตตาพึงตราฐานาในโยนิโสมนานสิการ์กำกับจะได้กำหนดรู้จากสักจจะสองคือสมมติสัจจะจริงโดยสมมุติปรมาทัศน์ จ, จริงโดยปรมตาภูมิพิจารณามาเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยอาการดังกล่าวแล้วย่อมน่ายในทุกข์ไม่เพื่อเส้นบกนุ่นอยู่ใน สังขารอันยั่วยวนเสนหานอันยั่วยวนเสนหาที่นี้ที่เราไม่เห็นว่าอาสังขารไม่เที่ยงก็เพราะสันตติมาปิดบังการาสืบต่อสันติการสืบต่อมาปิดบังที่เราไม่รู้ว่าสังขารเป็นทุกข์ก็เพราะอิริยบทมาปิดบังการยืนเดินนั่งนอนมาปิดบังเราเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆทำให้เรามองไม่เห็นและที่เราไม่รู้ว่า สังขารที่เราไม่รู้ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนก็เพราะว่าคณะสัญญามาปิดบงังความสาคัญว่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาปิดบังสติปัญญาเราไว้ทำให้เราเข้าใจว่ามีตัวมีตนนะทาให้เราเข้าใจว่ามีตัวมีตนนี่แหละจึงบอกว่าเราแต่เมื่อเมื่อเรารู้เรเข้าใจอย่างนี้แน่นอนที่สุดก็เราก็จะถึงที่สุดได้ ถึงที่สุดได้ก็คือว่าทําให้เราจะได้มรรคได้ผลได้นิพพานอก็โดยการพิจารณาอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้ทีนี้ถ้าว่าจะมีคําถามว่านิพพิทาคืออะไรปฏิปทาเครื่องดําเนินให้ถึงนิพพิทานั้นอย่างไรอันนี้เราก็แก้ว่าอั น, นิพพิทาคือความหน่ายในทุก์ปฏิปทาเครื่องดําเนินอย่างนี้คือพิจารณาด้วยปัญญาเห็นว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ทำทั้งตวงเป็นอันาตาย่อมเกิดนิพิทาเบื่อหน่ายในทุกข์ขันนเกิดเบื่อหน่ายในทุกข์ขันไม่เพลิดเพลินยึดมั่นหมกมุ่นอยู่ในสังขารอันยั่วยวนเสน่หานี่เราก็แก้ว่าอย่างนี้หรือถ้าจะมีปัญหาถามว่าสันตาประทุกนะสันตาประทุกท่านแก้ไว้ในทางวิจารณ์ว่าได้แก่ความ <c oughs> ชับว่าอย่างไรเราบอกว่า สันตาปทุกคืกความร้อนรุ่มในแก่ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไปคือราคะโทกตะโมหะเผาโมหะเผ า, า, เ, าเรียกว่าอาเป็นทุกข์ที่เกิดเพราะถูกไปสามนั้นเผาไม่ใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะถูกตะกินอากาศเจตนาเจตสิกะทุกข์เผาเพราะตะกินอากาศเจตสิกะทุกข์ท่านจัดอคงไว้ว่าเป็นทุกข์อย่างเดิมจะเรียกว่าไฟไม่ได้ เพราะเป็นผลสืบเนื่องมาจากกิเลสสามนั้นแต่เกิดจากกิเลสแฉกเผาดุดความแสบร้อนอันเกิดขึ้นในภายหลังเหตุ <c oughs> <c oughs> นั้นจนึง <c oughs> เรียกว่าสันตาปะทุกทีนี้ทุกในเวลาเตรียมตัวะถ้าจะถามว่าทุกในเวลาเตรียมตัวจะได้ในทุกหมวดไหนบ้างเพราะเหตุไรอันนี้เราก็แก้ว่าทุกในเวลาเตรียมตัวก็ได้แก่ทุกในหมวดที่แปดคืออา อาหาระปรยเยื่ติดทุกข์และหมวดที่เก้าคือวิวามูลกระทุก์เพราะการหาอาหารและการวิวาหรือต่อสู้กันต้องเตรจะเตรียมตัวนะป้องกันตัวมิฉะนั้นก็จะถูกขัดขวางและก็แข่งขันการตัดรอนให้พ่ายแพ้แล้วก็เสียชีวิตได้ หรือถ้าจะถามว่าอาการเป็นเครื่องรู้กาหนดอนัตตาข้อสี่ว่าด้วยความเป็นสภาพศูนย์คือว่างหรือหายไปคาว่าว่างกับหายไปไม่เป็นอันเดียวกันหรือเพราะไม่มีอะไรจึงใช้คำว่าว่างได้และต้องมีอะไรจึงจะใช้คาว่าหายไปได้สองคำนี้มีความประสงค์เป็นอย่างไรชมอ้างบาลีด้วยเราก็แก้ ว, ว่าคาทั้งสองนั้นมีประสงดังนี้ สังขารเป็นสภาพว่างพึงรู้อย่างนี้ในการใดผู้พิจารณากำหนดเห็นสังขารกระจายเป็นส่วนย่อยๆจากคณะสัญญาคือจากคณะคือความสาคัญว่าเป็นก้อนในการนั้นย่อมเห็นว่าว่างถอนเสียได้ซึ่งสัญญาความสาคัญหรือว่าหมายความว่าเป็นก้อนดังในบาลีว่ายะถายถายะถ า, ะถานิชายติโยนิโส อุ ป, ปริกขติอริตกังตุเชกังโหติโยนางปัสติโยนิโยนิโสผู้เพ่งพิจารณาเห็นโดยแยกคลายด้วยะการนั้นๆสังขารเป็นสภาพหายไปนั้นพึงรู้ด้วยความสิ้นดังในชลาสูตรว่าสุ ป, ปิเนณยถาปิสังคตังปฏิพุทโทปุริโสณปัสสติเอวัมปิ ปิยาญิตังชะนางเปตังการละกะตังปสสติคนผู้ตื่นขึ้นแล้วย่อมไม่เห็นอารมณ์อันประจวบด้วยความฝันฉันใดชนผู้อยู่ย่อมไม่เห็นชนผู้อันตนรักล่วงไปแล้วฉันนั้นหรือว่าถ้าจะตั้งคำถามว่าไตรลักษณ์นั้นเมื่อปรารบถึงไม่ค่อยจะมีผู้คัดค้านแต่หายากที่จะมีผู้เห็นไตรลักษณ์ เพราะเห็นไตรลักษณ์ก็ต้องหน่ายในทุกก็อะไรปิดบังไว้ไม่เห็นไตรลักษณ์จงอธิบายอันนี้เราก็แก้ว่าสัน ต, ติคือความสืบต่ อ, อบังอนิจจตาอิริยบทคือการยืนเดินนั่งนอนบังทุกตาคณะบังอนัตตาอันนี้แหละฉะนั้นการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง